ชาญมากโยมหลวงตาครับขอชาญมากหลวงตาอย่ายุ่งอย่ายุ่งขอไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นประโยชน์เราสอนแล้วนั่นมาขออะไร ของเศษเด่นของทิ้งศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่เลิศเราคอยแต่จะเอาของปลอมๆเข้าไปแทรกชานมากนี่หนักของปลอมเทศอย่างนี้ก็เป็นหรือ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 ว่าหลวงตาบัวดุบางคณะที่เพิ่งมาฟังธรรมยังไม่เข้าใจถึงอุบายวิธีการสอนของท่านหลายครั้งท่านสอนอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมาผู้ฟังจึงมักพูดกันว่าท่านดุวันหนึ่งท่านมีเมตตายกนิทานให้เป็นข้อคิด ดังเวลาแสดงธรรมอยู่นี้ใครเห็นหลวงตาดุใหม่ถ้ายังสงสัยว่าหลวงตาดุอยู่หลวงตาบัวจะเล่านิทานย่อๆให้ฟังคือผู้หญิงมันใจน้อยแล้วได้สามีมาสามีพูดอะไรก็ว่าแต่สามีดุว่าแต่สามีดุ เพราะผู้ชายมันเสียงดังใช่ไหมละ่ะผู้หญิงมันเสียงแหลมเวลาผัวพูดอะไรก็ว่าผัวดุผัวดุสามีคิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงนะเมียเรานี่พูดยังไงก็ว่าแต่เราดุจะทํายังไงนาะเราจะทําแบบอ่อนๆทีเดียวละ่ะว่าแล้วก็ไปกระซิบแม่หนูวันนี้จะไม่ดุไม่ด่าอะไรล้วนะ วันนี้จะกระซิบกระซาบแล้วนะภรรยาเอาว่ามาสามีวันนี้จะไปขอแต่งเมียใหม่ได้ไหมภรรยาโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไไดสามีแม่อินูรู้สึกเก่าแก่แล้วมีแต่ว่าดุว่าดุคำนี้เป็นคำไม่ดุคำนิ่มนวลอ่อนหวาน ว่าจะไปหาเมียใหม่มาจะได้ไหมภพันรยาโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไไดสามีจะทำยังไงเนี่ยพูดอ่อนก็ว่าดุพูดแข็งก็ว่าดุพูดอ่อนนิ่มที่สุดเวลานี้ก็ว่าดุเราจะทำยังไงพันรยาก็ อ, อย่าไปหาใหม่สิของเรายังมีอยู่นี่นะสามี ถ้าอย่างนั้นก็หยุดแล้วนะต่อไปนี้ก็ยังจะดุเหมือนเก่านั่นแหละภรรยาดุก็ดุไปเถอะดุไม่หาเมียใหม่ไม่ว่าอะไรละ่ะอย่าไปหาเมียใหม่ก็แล้วกันเปิดกิเลส ตัวแอบแฝงในบางครั้งท่านจะมีวิธีการสอนที่เปิดเผยตัวกิเลสที่แอบแฝงมากับทําให้เห็นอย่างชัดชัดดังในกิจนิมนไปแสดงธรรมที่วัดแห่งหนึ่งโอ้โหเขาเตรียมต้อนรับ หลวงตาบัวไว้อย่างรู้ราฟู่ฟ้าพอจะก้าวเข้าสู่โบสถ์เขาปูเสือปูพรมเข้ามาเลยพอเราไปถึงที่นั่นเราก็จับเสือจับพรมฟาดเข้าป่าให้เห็นต่อหน้าเลยนะปูเป็นแถวเลยนะพอเราไปเราก็จับหนีฟาดเข้าป่าจับหนีฟาดเข้าป่า แล้วกว็เดินไปจับหนี่ฟาดเข้าป่าต่อหน้าคนมากๆนะเพราะมันขวางตาเหลือเกินกิเลสทำไมมันจึงมีอำนาจมากนะักเขาทำอย่างนั้นเราก็ไม่ตำหนิว่าผิดนะแต่ให้มีทมแทรกบ้างเป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นเราจึงจับหนี่ฟาดเข้าป่าให้เห็นข้อคิดต่างหากนะเราไม่ได้ทำประชดอะไร เข้าใจไหมมันมีความหมายอยู่ในนั้นปลาเข้าป่าปลาเข้าป่าอะไรหรูหราฟาดเข้าป่าหมดเลยทำให้เป็นข้อคิดเสียบ้างความหมายว่าอย่างนั้นมิฉะนั้นจะมีแต่กิเลสปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นอะไรยิบยิบยั บ, ย, บยับเลยก็เปิดเสียบ้างสิ โยมหลวงตาขาไม่ทราบหลวงตามีเหรียญแจกหรือเปล่าคะหลวงตามีเหรียญเดียวดูเอานี่ออกสนามก็เหรียญ น, นี้ขึ้นเทศก็เหรียญ น, นี้เหรียญอื่นไม่เห็นมีเหรียญไหนเก่งเอามาแข่งสิ เหรียญไหนเก่งเอามาแข่งเหรียญ น, นี้น่ะห้าเก่งก็ไม่ต้องเอาเหรียญสู้เหรียญ น, นี้ไม่ได้ว่างั้นเถอะการ์ตูนปูสอน ออกกระตูนวันหนึ่งก็อดคิดไม่ได้แล้วก็อดที่จะนํามาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังไม่ได้เพราะเป็นคติดีฟังฟังให้ดีนะขึ้นแล้วการตูนมันมีเขาเรียกสารพระภูมิหรืออะไรแล้วมีต้นไม้ใหญ่แล้วมีสารพระภูมิโอ้ยทาเหมือนจริงๆนะ พวกนี้พวกตลกทำได้เหมือนจริงๆแล้วก็มีคนคนหนึ่งนั่งพนมมือแต่แล้วคนหนึ่งไม่ทราบมาจากไหนนี่บอกมาจากสูงสงนั่นแหละบอกมาจากสารว่าโยมมีความยุ่งยากใจอะไรยุ่งยากใจที่ปฏิบัติตามหลวงปู่นั่นแหละแล้วปู่สอนอย่างไร ถึงต้องเป็นความยุ่งยากอย่างนั้นล่ละปูสอนให้มีความปรารถนาน้อยว่าอย่างนั้นแล้วเราไปปรารถนาอย่างไรมันถึงได้ลำบากยุ่งยากใจเราไปมีเมียน้อยหัวเราะนั่งสิฟังสิมันน่าฟังไหมละ่ะมันแฉะไปนั่นน่ะ ไอเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราสอนให้เป็นอย่างนี้มันแฉลบไปนั่นบอกให้มีความปรารถนาน้อยก็คือว่าถ้าเป็นครวา่าตให้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นแต่นี่มันกลับไปเอาเมียน้อยมาอีกปู่ท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนให้มีความปรารถนาน้อย เราโดดไปคว้าเอาเมียน้อยมาเออกองทุกข์ให้รู้เสียนั่นกองทุกข์หลักของชาวพุทธเรากาเมสุมิจฉาจาร์นี้เป็นข้อบังคับอย่างตายตัวเลยนี่แหละข้อบังคับเพื่อให้เป็นทองแท่งเดียวกันระหว่างสามีภรรยาจนกระทั่งถึงลูกเต้าหลานเหลนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จะได้รับความอบอุ่นจากทำข้อนี้ เดินตามหลังคนเลี้ยงไปทุกวันคนเลี้ยงเดินขยเเยกขยเเยกม้าขาดีๆก็ขยเเยกขยเเยกตามคิดดูม้ามันยังศึกษาเอาได้จากคนขาขยเเยกอันนี้คนแทๆ้ๆทาไมจะไม่ศึกษาจากพ่อจากแม่ที่เป็นคนขยเเยกเข้าใจหรือเปล่าพ่อแม่ ต้องระวังให้มีแบบมีฉบับบ้างสอนลูกสอนเต้ายังไงกันตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ายันค่ำมีแต่ทะเลาะให้เด็กฟังเด็กก็ได้ศึกษานั่นแหละแล้วไปเที่ยวทะเลาะกับหมูเพื่อนและกลับมาก็ทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะไปหมดทั้งบ้านเลยเพราะได้ศึกษาวิชาผีบ้าจากพ่อจากแม่ สอนเด็กไว้แต่เล็กแต่น้อยพ่อแม่เข้าวัดเข้าวาพาเป็นคนดีลูกย่อมเป็นคนดีเพราะลูกเต้าที่เกิดมาจากพ่อจากแม่คือพ่อแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ในหลักธรรมชาติเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังไม่แล้วยังเป็นบุพก า, ารย์ คือต้องสั่งสอนก่อนอื่นก่อนใครทั้งนั้นคำว่าสั่งสอนไม่จำเป็นจะต้องให้โอวาาสั่งสอนอย่างเดียวความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ผู้ใกล้เคียงจะเป็นการสอนเด็กอยู่ในตัวหมดด้วยเมตตาธรรมที่ท่านมีต่อคนหลายกลุ่มหลายคณะดังกล่าว ทำให้คำสอนของท่านจึงมีตั้งแต่หลักธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดแหลมคมสำหรับผู้มุ่งฝึกฝนจิตตภาวนาเพื่อมุ่งสู่แดนนิพพานโดยเฉพาะหรือแม้แต่ธรรมะสำหรับเด็กผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนผู้มีหน้าที่กางงานตลอดจนธรรมะสำหรับครอบครัวสังคม และประเทศชาติซึ่งจะได้คัดหลักธรรมสำคัญสำคัญมาแสดงในหัวข้อต่อๆไป หนังสือเทพธรรมะไม่ซื้อขายหนังสือธรรมะของท่านมีทั้งจากงานเขียนหรือทอเทพจากการเทศอพรมพระและครวดทั้งในวัดและนอกสถานที่บางเล่มเป็นการรวบรวมคำตอบปัญหาธรรม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 จ่ายเพื่อหัวใจโลกมีคนเป็นจำนวนมากที่ห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย ใ, ในการแจกหนังสือและเทปเกรงว่าอาจทำให้ท่านต้องลำบากท่านให้เหตุผลในเรื่องนี้ดังนี้ หนังสือของเรานี้ไม่มีการซื้อการขายมีแต่การให้ฟรีส่งให้ฟรีด้วยบางคนเขาถามมาเขาคงบิตกถึงเรื่องการส่งของเราเขาถามเฉพาะเรื่องส่งเรื่องส่งคงจะหมดมากนะหลวงพ่อส่งหนังสือนี้โอ้ยอย่ามาถาม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 ไม่งั้นพระตายไม่ไหวอัดไม่ทันเรื่องอัดเทปนี้เราก็หามาให้นะด้วยความสงสารทั้งนั้นแหละผู้รับธรรมะผ่านสื่อมีหลายท่าน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 กลับพลิกขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าได้เกิดชาติใหม่นักปฏิบัติธรรมหลายท่านเช่นกันเมื่อได้อ่านหนังสือหรือฟังเทปแล้วเกิดความซาบซึ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจก็มีอยู่ไม่น้อย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 ขอยกตัวอย่างผู้ได้รับสื่อธรรมประเภทต่างๆของท่านมาแสดงบ้างดังนี้หลวงปูส่สุวัตสุวโจวัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมหลวงปู่สวดเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นอีคงหนึ่งและท่านยังเป็นศิษย์หลวงปู่ฟั่นที่สกลนอคร อ, อีกด้วย เคยจำพรรษาอยู่สหรัฐอเมริกาหลายปีต่อมาจึงได้กลับเมืองไทยหลวงปู่สั์ท่านเคยบอกกับลูกหลานพระเนนทั้งที่วัดป่าบ้านตาและวัดของท่านเองเสมอๆว่าที่ท่านเคารพนับถือหลวงตามหาบัว ก็เพราะได้อ่านหนังสือของท่านเฉพาะอย่างยิ่งในคราวที่หลวงตาแสดงธรรมณนะวัดอโศการามเทศครั้งนั้นมีตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องราคะตัณหาและวิธีแก้เมื่อหลวงปูส่สุวัตตายแล้ว รู้สึกเหตุร้อนถึงใจขึ้นทันทีท่านเล่าว่าพออ่านแล้วมันสะดุดใจปุ๊บจากนั้นจับเงื่อนได้ทันทีทีนี้จิตก็หมุนติ้วในธรรมมีแก่ใจที่จะเร่งความภาคความเพียรตลอดเวลาท่านได้กำลังใจครั้งใหญ่ก็ด้วยเหตุที่ได้อ่านหนังสือในตอนนั้นนั่นเอง กล่าวถึงความเจริญของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าแต่สำคัญว่าจิตของเราอย่าไปหลงกับความเจริญของบ้านเมืองของเขาถ้าไปเอาอันนั้นมานี้แล้วเสร็จ ธรรมะหายไปหมดเลยแต่จิตของคนมันไม่อัศจรรย์เลยแม้แต่เขาจะวิเศษยังไงมันไม่อัศจรรย์เลยอัศจรรย์แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมคือพระองค์สามารถที่จะพ้นทุกความสุขจนขนาดเทวดานี่พระองค์ยังเห็นโทษขนาดที่นั่งชานสงบที่เรานั่งสงบมีความสุขพอใจ ในความสุขอ น, นันต์แต่พระองค์ก็ยังเห็นโทษไม่ติดขนาดทำลายรูปมีแต่อากาศมีแต่วิญญาณแต่พระองค์ก็ยังเห็นทุกเห็นโทษจนพ้นได้อันนี้มันอัศจรรย์ปัญญาเรานะมันไปไม่ได้นะ เราต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันต้องยึดหลักพระองค์แล้วก็เร่งทำความเพียรเพราะทำแล้วจะต้องรู้นอกจากพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่เราใกล้ชิดที่เห็นปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันผมก็ยึดหลวงปู่บ้านตาด เพราะนิสัยท่านชอบมากการพิจารณาพลิกแพลงอะไรต่างๆนิสัยเราชอบหลวงปู่บัณาดกับหลวงปู่ฟั่นเหมือนกันนะเรื่องพลิกแพลงสติปัญญาที่ท่านแนะนำมานะ่ผมชอบ